จิตตสมุทานะทุกะเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสองสิสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตแต่สมุฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณนะ สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุถูปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่จิตและกระตาตารูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่ เหที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมบุญตขันจิตและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยส1งสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานขันท์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานจึงเกิดขึ้นเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารกขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานขันท์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจิตจึงเกิดขึ้นสองสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยระมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโวทานมักผลและอวัชนะจิตโดยรมณะปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุอา t h ยวัตุและขันที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจับขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาต รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญณายตนะอาคินจัญญายาตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณโพธพายตนะละถึงขันธ์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณเยถากรรมูปะขยานอนาคตังสยาน และอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมักพิจารณานิพพานเหมือนกับข้อความตอนต้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักขุ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 และที่ไม่มีจิตเป็นสมุฐานโดยอรมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมาพิจารณานิพานเหมือนกับข้อความตอนตอน้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่ไม่มีจิตเป็นสมุฐานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสุกเป็นต้นนั้นจิตและสัมยุจจขันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์กลุ่ฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้ปายตระนะ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 พเพิ่มคำว่าเพราะปรารบอธิ ป, ปติปัจจัยสิบสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจหรชาตาธิปฏิอารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันท์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานจึงโปรดขึ้น สหชาตาธิปติได้แก่ธิปติธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มทั้งอารมนาธิปติและสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่มิมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิมีจิตเป็นสมุทฐานโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรค พิจารณานิ้พานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่มีจิตเ uh ป, e can ป็นสมุทฐานให้เป็น อ, อารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างเพื่อารัมนาธิปติแล <S <S ะชหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่ อริยะออกจากมักพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลเพลินขันที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยทีป่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาทิปติได้แก่พระอริยะออกจากมาพิจารณานิพ v a n ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่ น, น, น, จ, น, น, น, น, น, นจิตและสัมพิจุตขันจึงเกิดขึ้น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 ไม่มีวุฐานะสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จิตที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลั ง, ลงและถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พร ะ, ะสมาบัติโดยนันตรปัจจัยพึงทำการนับทั้งสองอย่างนอกนี้ให้เหมือนกับปัจจัยนี้นั่นเอง สภาวธรรมที enrolled, ่ม e ีจ <lit bum ble mur li> ิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มเป็นสามวาระไม่มีวุฒนะเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยเป็นต้นสองสิหสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐานโดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยเหมือนกับปัจจยาวาระอุปนิสยาปัจจัยสิบหกสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอุปนิสยาปัจจัยมีสามอย่างคือระมโูปนิสยาอันันตารูปะนิสยาและปะกระตูปะนิสยา ประกาศตูปานิสยาพึงทำเป็นสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสยาอนันตารูปานิสยะและประกศตูปนิสยะประกาศตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยอุตุโภชนะเสนาชนะและจิตแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์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 และถึงทำลายสง์อุตุโภชนะเสานาสนะและจิตเป็นปัจจัยแก่ศรัทธามรรคและพระสมมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปะเนสยอนันตารูปะเนสยและปะกะตูปะเนสย ปกาศูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยอุตุโภชนะสนาสนะและจิตแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์อุตุโภชนะสนาสนะและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจิตโดยอุปนิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอุปนิสยาปัจจัยมีสามอย่าง คืออารามณูปะนิสยาอนนนตะรูปะนิสยและปะกะตูปะนิสยปะกะตูปะนิสยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยสสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมามณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจิตตสมุทฐานรูปและถึงโพธพะ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานต์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูป ด, ด, ด, ด้วยท yes. ี er. ่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโซตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยจักขูวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน โดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจิตตสมุทฐานรูปโพธพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุโลปายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะ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 เพ ร, ราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักผุกฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาตรุรูปรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิ ญ, ญญาณและสัมปยุตตะขันโลภุเรชาตปัจจัยโพภธภายตนะละถึงสองสิบปสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายรูปโพธพะภะและหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเพราะปรารุกความยินดีเพลิดเพลินจากสุกเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโพธพายตนะละถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณกายายตนะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะ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 จ, จ, จัรรจกรยัตนะ u, เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขโวิญญาณกายายัตนะและถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารมณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเพราะปรารจกความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขูวิญญาณและสัมป ย, ยุตตขันโพธปายตนะละถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่ กายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักุวิญญาณและสัมบุญุตขันธ์กายยตนะละถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมบุญุตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยสอสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาต และวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยจักขวิญญาณโพธพายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยรูปายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีจิตเป็นสมุทฐาน โดยปุเรชาติปัจจัยโพธพายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุและถึงสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาติได้แก่รูปายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโพธพายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและกายยตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยบุเรชาตปัจจัยรูปายญาณที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยบุเรชาตปัจจัยโพธพายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหทัยวัตถุและถึงสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่รกูปายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจักขายตนะเป็นปัจ replies, จัยแก่จักขวิญญาณและสัมยุญตะขันโดยปุเรชาตปัจจัยโพธ ภ, ภ า, ายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐาน รูปลายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและจำปยุตตขัน์โดยปุเรชาตปัจจัยโธพธปลายตนะที่มีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุและถึงปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย2องสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียว คือปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแกคลายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยพึงขยายปัจฉาชาตะปัจจัยให้พิสดารโดยอาการนี้นั่นเองเป็นปัจจัยโดยอาเจวนปัจจัยเมฆ้าวาระ มปัจจัยและวิปากรปัจจ <or> ัยสองยี่สเอดสภาวธรรมที่ม um ีจิตเป็นสมุทฐานเป็นป <eme> <influence> In ัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยธรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปจ airplane, ัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีจ uhm ิตเป็นสมุฐานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยกรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นา น, นาคเนกะได้แก่เจตนาที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นป <amba> ัจจัยแก่จิตที่เป claro claro ็นวิบากและขตัตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจัยแก่สัมบัติยุติขันธ์จิ ต, ตและจิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะน า, านาคณนกะได้แก่เจตนาที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากจิตและกระตาตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิปา ก, กะปัจจัยเมฆ้าวาระมหาระปัจจัย 22งสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตแต่สมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลอาหารที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เกลาเลียนกระลาหารที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอาหารรับปัจจัยเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลอาหารที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปจ pounds, จนัจจัยแก่สัมพยุทธะขันธ์จิตและจิตแต่สมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะสองยี่สิสาสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน โดยอาหารรับาัใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่กระตั้วรูปโดยอาหารรับาัใจเกลื่อนกระอาหารที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานโดยอาหารรับาัใจพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอาหารที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่จำปยุจจคันและจิตตาสมุธฐานรูปโดยอาหารระบาัใจ ในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลในปฏิสนธิขณะอาหารที่ไม่มีจิตเป็นสมุฐานเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจฉันและกตัตาตารูปโดยอาหารระปัจจัยยี่สิบสีสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐานโดยอาหารระปัจจัยได้แก่อาหารที่มีจิตเป็นสมุฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฐาน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 เพิมเพิ่มบทที่เป็นมูลในปฏิสนธิขณะอาหารที่มีจิตเป็นสมุธฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่สัมพยุทธขันธ์และกระตัตรารูปโดยอาหารรปัจจัยอินทริยปัจจัยเป็นต้น225สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุธฐานโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะยินทรีย์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขผลสี่เป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาณกายยินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณ รูปประชีวิตินรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอินทรีย์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและเจตตสมุทฐานรูปโดยอินทรีย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรค้ด้วยจักขูวิญญาณกายินรียพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจฉาขันและกระตาตารูปโดยอินทริยปัจจัยจากขุนสีเป็นปัจจัยแก่จกักุวิญญาณและขันที่สหรกรด้วยจกักรวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายินสีละถึง226สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุดฐานโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ ยินสี่ที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขุนสี่และอุเบกินสี่เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยจักขรวิญญาณกายยินสีและสุขขินสี่ละถึงกายยินสี่และทุกขินสี่เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคด้วยกายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย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 โดยอินทริยปัจจัยจากขุนเซและโอเบขินสีเป็นปัจจัยกิจากขวิญญาและสัมปยุตตขันโดยอินทริยปัจจัยกายินสีและถึงเป็นปัจจัยโดยชานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระวิปยุตตปัจจัย2องสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทานโดยวิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท um ี่ไม่มีจิตเป็นสมุฐานโดยวิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสชาตตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะย่อ ภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป mm ็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบิยตปปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะย่อ2องสภาวธรรมที่มีมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบิยตปปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะ สหจจ a t ได้แก่เนปติสมที่ขณะจิตเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิบิยุตปัจจัยจิตเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบยุตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิบิยุตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิบิยุตปัจจัย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 และที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานโดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือชาชะตาปุเรชาตะและปัจชาชาตะย่อสองยยี่สเก้าสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุธฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุธฐานโดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตาย่อ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 สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะภูเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ asta, สัหรโคด้วยจักรวิญญาณและจักรกายตนะเป็นปัจจัยแห่จักรวิญญาณโดยอธิปัจจัยที่สัหรโคด้วยกายวิญญาณและถึง ชาชาตได้แก่คันที่มีจิตเป็นสมุทฐานสำหรับปัญหาวาระทั้งหมดพึงเพิ่มทั้งปฏิสนธิการและประวัติการให้เหมือนกับปัจยาวาระปชาชาตได้แก่คันที่มีจิตเป็นสมุทฐานและจิตเป็นปัจใจแครายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปั จ, จัจปชาชาตได้แก่คันที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตและโกลิ่งกราหาน เป็นปัจเจกแก่กายนี้ที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอัติปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตและรูปปัจจิวิตินรียเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอัติปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอัติปัจจัยมีสามอย่าง คือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรูคตด้วยจักหุวิญญาณย่อปัจจยาวาระเหมือนกับสหชาตะวาระเพื่เพิ่มบทว่าสหชาตะปัจจัยเข้าไว้ทั้งหมดและถึงเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจใจหนึ่งปัจจยานุลม สสังคยาวาระสุทนายสอยสามเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสาชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระเอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเ้าวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตาปัจจัยมีเ้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยเม้าวาระอนุโลมจรสองปัจจนียุทธาระสองสาสสาสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยสังาชาตปัจจัยอุปาณิสีปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน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 ปัจฉชาตะปัจจัยและกรมะจจะร ม, ม, ม, ป, ม ป, ปัจจัยสามสิสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่จจสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยปูปานิเสยปัจจัยปูเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน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 สหชาตปัจจัยอุปานิเสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานโดยเอรมาณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิเสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัย 2. ปัจจายะปัจจนิยะ 2. สังขยาวาระสองร้อยากณเหตุปัจจัยมีก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระโนอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระ 3. ปัจจะยานุโลมปัจจนิยะ237รอยสามิณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจจัยมีสมวาระณสมนันตระปัจจัยมีสมวาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระละถึงณมข้าปัจจัยมีสมวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิบยุตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยมีสามวาระ สปัจจยะยปัจญิญานุโลมสองร้อยสามรมณปัจจัยนั่นเหตุถูกปัจใจเมฆ้าวาระอาทิปติปัจใจเมฆ้าวาระเพึงเพิ่มการ น, นับอนุโลมละถึงอะวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระจิตตสมุทัานทุกะจบ